ขอกลาบนมัสการหลวงพอ่อผู้เป็นประธานและกับครูบาอาจารย์ทุกรูปขอากาวคำมาสบายดีเด้อญาติธรรมเขามุสภูสุคนข อ, อนโมธนาสาธุาแม่ครัวนี่คือจังาเสียงแห่งเสียงแฮมทโนมือทีแปดลวคันบดได้เอ้อยไงมาซอยนี่ย่านว่นแล้วอยู่เด้อฤทธิตททาสุดนี่สิบวันเนี่ย กั บ, บ่เป็นอย่างเนาะกําลังกายมันก็เสื่อมโทรมเป็นของธรรมดาแต่กําลังใจกะกะพอไปได้อยู่ <laughs> <laughs> ท่านอาจารย์ใส่เอาเรื่องอยังเขน้อยเอาเรื่องประสบการณ์าเราอยัางว่าเป็นเรื่อยว่าสี่สโมงก็ไปจบเรื่องคนว่าเรื่องอารมณ์นี่ก็ได้มันว่มีม่งลงได้เขนเอาสถิตเจริญสถิตไม่ใช่ปัจจุวันหรือนะอ๋อปัจจุบันนนอ๋ออ้มันก็สบายเนาะการเจริญสถินี่ก็ได้ก็คืออาจารย์พันวา โอ้จับใจท่านอาจารย์มานํากันยมบูฮัวสื่อพณีในท่านอาจารย์องค์นี้ข้าน้อยโอ้อาจารย์ไฟเดชยศนตระมานํากันนางลดนํากันมาตั้งสี่หาสมงยมบูฮัวสื่อพะได้ขน้อยก็ได้กับพมันปุ่งมันวางหลายบ่หรือว่ามันตั้งบุญมีคมจื้อคมจําท่านอาจารย์กับสิ่งที่พณว่ามันจับใจหลายคือพนว่าการปฏิบัติสายหลวงพ่เทียนเท่านี้ง่ายและสบายถ้าไปเหตแท้ทาจริงนะที่พณว่า เห็ดต่อเนื่องนะโอ้มันสะดุดใจขน้อยว่ามันคือเมนแท้ๆเดี๋ยวเพื่อนว้าวนะโอ้เพื่นว่าหาเห็ดต่อเนื่องต่อเนื่องนี่เป็นอันทีว่าบมเกินสามมือเพื่อนว่านะเห็นโลดฮู้โลดมันคือว่ามันถึกใจขน้อยเพราะว่าขน้อยก็บคิดว่ามันเป็นอย่างซีอิลีขน้อยกัเห็ดอิลีทำอหลีสามมือสีมือมันก็เข้าใจตัวเองโลดเถะนะขน้อยก็ไม่ได้ยินคำเพื่อนว้าโวมีอาจารย์องนี้นาะมาเว่ายืนยันขึ้นกันกับเฮาอหลี แต่ขนข้น้อยซีว้าซื่อๆตรงๆก็คือว่าย่านพนว่าเฮานี่คือมั่งกล้าวกล้าวจังซีแท่จังซีน่ะคือว่าข้าเจ้าก็คือว่าขาเจ้าเฮ็ดอยู่หะนะเป็นอย่างคือว่ามันบ่งบ่งบุห็นแต่ขน้อยขึ้นว่านี่มีผู้ย่างยืนเลยเด่นมีอาจารย์ไพเดชพนยั่งยืนแล้วนี่พนยั่งยืนแล้วเมื่อคืนนี้เนาะพนว่าว่า ยืนยันยั่งยืนยืนยันเนาะค่ะเนาะขนาดพคนหู้คนเห็นคนเข้าใจแล้วเคนว่าพระอรหันต์นะมันง่ายโพดยืมมือเอ่อเอื้อมออกก็คือว่ามันคือว่าง่ายโพดนะะยั่งพันอยากได้เถือะเมื่อรู้ควมผุนประสบการณ์ที่ผุนได้ได้มาปฏิบัติในสายงานของเขาแล้วและผุนเข้าใจแล้วว่ามันเป็นจริงได้ถ้าควมต่อเนื่องของการหูซึกตู่ของเขานี่นะ แล้วมันสีหู้สิเห็นอิลีแล้วขน้อยอีกผู้หนึ่งเมื่อ น, นี้ขนอยมีมีคูบาอาจารย์เว้าวไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้ยินแล้วขน้อยกับสีว่าเรื่องประสบการณ์ของขน้อยในกรแมนอิลีขั้นเขตต่อเนื่องอิลีนี่บ้าขน้อยว่าสามมือนี่มันก็คือว่ามันสี ด, ดนได้บัดนี้ขน้อยว่ามีผู้ยั่งยืนซอยเลยได้นี่เพราะว่ามันมีความเข้าใจรสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาตั้งใจอิลีเห็ดด้วยความอ่า ควอมจังไดสิวอกภาษาลาวคือว่าคือคือมีความตั้งใจสิ่งใดเขาสิทธเนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็เฮ็ดต่อเนื่องอีหลีแล้วก็เฮ็ดแท้ทาจริงอิลีนี่นะมันจะต้องเกิดต้องเห็นพอมันถูกอย่างมันอยู่กับเฮาในอิลีเพลินคำว่าเฮอมนี้เพลิพนย่ำอีกวังกี้ี่วังแรงในเพลินว่าธรรมะอยู่กับเฮานี่ละอยู่กับเฮานี่ละแต่ว่าเป็นอย่างเขาจังค่อยบเห็นพอว่า ตัวเขานี้มันบังอยู่เพื่นว่าเนี่ยนะกายเขานี้มันบังเพื่อนว่าวกายบังคือตัวเขานี้บังอยู่มันก็เลยบหเห็นขนเลยก็เลยมาเข้าใจว่าเ อ, อกายบังมันก็เม็นคมเพื่อนพอว่าเขานี้สังขารเขานี้มันบังอยู่ความเจ็บความปวดความอย่างเขาหนีละมันบังอยู่คันมันเป็นอย่างมาผัดเจ็บเวทนานี่เจ็บแล้วก็เลย ตอนเนืองไปใส่อันนั้นเจ็บอันนี้ปวดก็ยุดสก้อนนี่จังหวะมันสีไฟบนลูกจักเถื่อนนะ่ะนะยุดเพราะว่าเจ็บท้องต้องแลนไปหากินยาสก้อนทั้งๆที่เขาหนั่งสมองหนึ่งอย่งบนหัวนอดสมองนี่เจ็บขากระเพียนแล้วไม่ได้กำหนดเถื่อนอันนี้ล้วมันบังมัดทุกอย่างทุแนวความหมายของผลมันก็เลยบวต่อเนื่องให้เขาจักเทื่อมันก็เลยนานเห็นแต่ถาว่าเขามีศรัทธาอิลีเพราะว่าทั้งศรัทธาทั้งทั้งนอกทั้งในเนี่ยผมว่ามึงกี้นี่เด้ดในเขานี่จับเอาในประเด็นในคำว่าของผลในแมน ใจเขาก็ตั้งใจละแล้วก็ศรัทธาเขานี่ก็มีเต็มเปี่ยมแล้วลองสัง่งควมหูสึกโตทั่วพรหมเนี่ยโบเอา อ, อยิ่งดอกมันสิเกิดกระยาโบาเกิดก็ตามเห็ดง่ายๆเห็ดแบบสบายเห็ดโบเอาเห็ดปุ๋งเห็ดวางคือว่านี่แหะมีควมเข้าใจอย่างสิเรเอาแต่ควมหู้สึกตโตัวเดียวแล้วก็ยั่งสูไปว่าโอ้เพลินคือเห็นนิมิตอันนั่นคือเห็นนิมิตอนันนี้เป็นอย่างเขาคือโบเห็น มันสิเห็นกระยาวเพนก็ะตามแต่ส่างค้มหูซึกตัวตัวเดียวนี่มันสิเห็นไปมดทุกอย่างแบบนั้นน่ะถ้ามันติมคือเพลินเว้าเนี่ยอาจารย์เพลินเว้าเมื่อกี้นี่เพลินก็ว่าให้มันเต็มซะก่อนมันสิป้งขึ้นมันขึ้นมาโลดเพลินว่ากระเมนอหลิอันนี้ก็ได้ขน้อยก็บหูว่ามันเมนอิลีเพลินเว้าประสบการณ์ยังสั่นขึ้นมามันมาตรงกับประเด็นที่มันตรงของขน้อยอิลิในสามมือมันก็เข้าใจมีมีข้อมหูซึกเข้าใจกายใจในตอนนั่นอิลิ จังววาขน้อยก็เลยมั่นใจว่าโอ้มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีมีกัลยาณมิตรหรือก็มีผูู้้ผู้เห็นมาประสบการณ์คล้ายๆขึ้นกันเองอีกมายั่งยืนในสายงานของหลวงปู่เทียนนี่แล้วขน้อยก็แหงเต็มใจมั่นใจในร0อยเปอร์เซ็นทาโบป็นยังีิแล้วก็มันก็สิโบมิจิตใจที่จะเข้ามา เป็นไมโควนี่ได้ขนอยฮู้แล้วว่ามันเป็นเป็นได้ย้อนว่ามันลดละเขาลงได้อิลีเพราะว่าการปฏิบัติของขน้อยในการปฏิบัติมามาเจ็ดปีในสายงานของของสิว่พอกับว่าได้เนาะพออุดมเพิ่นเพิ่นจัดรีทวิตเพิ่นปฏิบัติแบบเฮามานี่แหละก็ว่าพุทโธว่าซนซามันกระโบหายสงสัยได้โ บ, บเข้าใจในเนื้อหาสาระตัวนี้ได้บัดเฮามาเคลื่อนไหวแค่นี้นะมีความหูซึกโตเนี่ย สามวันเขาให้เข้าใจในรูปน้ำนี่เลยเข้าใจรูปทำนาท้ำทำเข้าใจสมมุติเข้าใจวัตถุประมัตดอาการเข้าใจไปยังสั้นไปโลดท่าเนเองมาเขาเหตตต่อเนื่องแต่ขน้อยเห็ตต่อเนื่องอิลิเหตต์ต่อเนื่องเหตต์มีความาตั้งใจเห็ตแท้ทำจริงเนี่ยมันก็เห็นจริงจังซี่อิลิจังว่าขน้อยก็จังมาดีใจว่าโอ้มีครูบาอาจารย์ยังยืนแล้ว มันก็นเลยเกิดแรงศรัทธาตัวนี้ขึ้นมาแล้วอยากอยากอยากอ่าอยากว้าอยากบอกอยากอาเอาความจริงตัวนี้มาเว่าวให้ฟังว่ามันเป็นจริงได้อิลิธามีความตั้งใจอิลิแล้วเขาก็บรได้เอายังโบเฮกอย่า ง, างมิเตสร้างความหูสึกโตนี่เท่านั้นเตกี้ขน้อยกระหลงไหลว่าสร้างความหูซึกโตล่ะโอ้ดีใจเวลามันได้ปิติก็ไปเพิ่นเออบอีมนำ้ำใดปุตติอันนั้น แล้วมันยุดไปสังกักหนึ่งนวลคว่ปิติเนั่นเฮามันไปหลงเพลินในตัวนั่นหันละพายเฮาสักษาเวลาแต่ว่าบดีบอดีเป็นทางผ่านมีกำลังใจแต่มันมีความสักษาถาเฮาไปเพลินอยู่ในหันดนหลายเฮากะสิโบดได้ตัวลูกสึกตัวเฮานี่มันกะสิอ่อนลงไปมันสิเป็นหลงมัวเมาเพลินอยู่นมุของ ในสิ่งเหล่านั้นมาสันซะถ้าเฮาเล็งควมเพียนเฮาเขาเ่าแล้วมันสิพานไปได้ไวพานเป็นขันคืออาจารย์เพิ่นว้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายขันหลายตอนตอนนี้เฮาหู้ตอนนี้เ อ, อเฮาก็สิไปเพื้นอยู่หันถ้าเฮาเพิ้นอยู่แล้ก็สิยุดอยู่ขันนั้นหักษาความหู่ศึกตูนี้ไว้สร้างไปแล้วมันสิแจ้งไปเองเห็นเป็นขันเป็นขันไปเมร์ควมเพิ่นเขาน้อยกระเพิ่นประสบการณ์เขาน่อยกระเพิ่นมาหลายอีิริหู่รูปน้ํากะ ไปเพิ่นอยู่ในรูปน้ําหันเว้ากับวนเวียนแตอยู่ในกับรูปน้ําหันโอ้สมมุติแล้วกับไปเพิ่นอยู่กับส ม, มุติหันเห็นบอมันเละซ่าเวลาจนฉนซิปปีละเขน้อยกับโบไโบพมาจากเถื่อฉันมามีความเข้าใจว่าโ อ, โ อ, โ อ, โอ้มันทึงดีทั้งบุ ด, ดี ถ้าเฮาอยู่ไก่คูบาอาจารย์เนี่ยแห้งสิสักซ่าหลายเรื่องการที่เฮาเห็นปิติเห็นนิมิตมันสิมีค้อมมั่นใจแล้วมันกะสิอวดองคทะนงโตมีทิิขึ้นมาว่ามีควอมหู้ค้อมเข้าใจประมาทแล้วมันสิยุดแล้วมันว่าโอ้พอแล้วแม่นแล้วนะนะมันสิเป็ี่ยนเหตุผลเพราะใจขน้อยมันเป็นอย่างซิขน้อยว่าประสบการณ์ของขน้อยเองมันสิยุดมันสิยุดอยู่ในค้อมเข้าใจว่าเฮาหู้แล้วเราบูอยากปฏิบัติแต่ถ้าเฮามีค้อมมั่นใจว่า มันเป็นยังสั้นแล้วเขาจะต้องเล็งควมเพียรเขาเขาห้องหู้ครูบาอาจารย์เพิ่นเตือนแล้วเขาเล็งเขามันสิผ่านไปได้ไวกับบุญมีได้ไปเมืองไทยไปเก็บอารมณ์กับหลวงพอ่อกับยนบาลมีของพีวานิสาเพิ่นสือปียนหาขน้อยก็จกเล่าเรื่องอารมณ์ตัวนี้เพราะว่าได้ไปไปเก็บอารมณ์เข้มอยู่นำหลวงพ่อสี่เดือนก็ไปในนํากับพีพวานิสาเนี่แหละเพิ่นเป็น เจ้าศรัทธาซื้อตัวเครื่องบินให้ก็จังค่อยได้ไปเข้าใจเฮาคิดว่าเฮาเหตพอสำนี้มุดถุกได้สำนี้แล้วที่ขน้อยปฏิบัติมาสิบกว่าปีก็คือบอกเข้าใจในเนื้อหาสาระของสาสูตรของหลวงพ่อเทียนนี่นะก็ะว่าเข้าใจแล้วแต่ในลึกๆของขน้อยมันยังมีความคลองใจอยู่คือว่ามันยังบ่มมุดถูกขันมุด แ ล, ล้วก็มาสารวจเบื้งว่าเป็นยังมันคือยังมันมันยังมีข้อมสงสัยลึกๆในใจว่ามันคือยังมีค้อมคุณมัวอยู่อันสิ่งที่มันของใจในใจของเฮานี่มันก็ระดับอปศุถูกของเขาได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีอยู่ก็เลยมีบุญได้ไปไปจําพรรษาน้าหลวงพอนี่แหละไปเก็บอารมณ์อยู่น้ำหลวงตาสุริยาในสายงานของหลวงตาสุริยานี่ ข้าอายุหกิหลือเพิ่นบุรับและเพิ่นกับเข้มที่สุดในลูกศิษย์ของหลวงพอมีมีสำนักสองสำนักที่ว่าสำนักที่เข้มที่สุดเป็นของหลวงตาสุริยานี่แหละเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อแล้วกาสำนักที่สองเป็นกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อคือกันเป็นสำนักยิวัดแผ่แสงเทียนคืออาจารย์กสินกับอาจารย์คมกิจกับเมพิกุลในสองสายงานนี้ในสองในสองสำนักนี้นกับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่เข้ม เบาเรื่องเฮาสิไปการเคลื่อนไหวสิไปตัวใดก็ได้ขน้อยก็เลยหลวง พ, อพ่อพุนหาไปเก็บอารมณ์โยนกับ น, นำหลวงตาสุริยานสิบสีม่มือมันมันมาเข้าใจในควอมเข้าใจขน้อยเข้าใจสิ่งที่ว่าอันเฮาผ่านมานึกว่าเฮาหู้เฮาเห็นเ ข, า เ, นเขาเข้าใจมืดแล้วนะั่นนะมันมาเห็นในในควอมกดแหงก ร, ร่มนี่แหละแล้วก็มาเห็นควอมหู้ซึกโตทั่วพรอมนี่แหละ เฮาเกี be, and しし better, and ่ยว่าบเฮาหู้ควมหูสึ่งตัวทุพอมันก็หู้จักมืดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างมาหน่มันมีควมเข้าใจควมหูซึกงตัวนี่แปลกต่างเองอีกขน้อยจึง่อยได้มาเข้าใจว่าโอ้เฮาหู้แต่กี้อาจจะมันสิเป็นควมหู้แล้วมันยังโบทันเห็นแล้วมันโบทันเป็นแล้วมันโบทันมีโบทันมีเรื่องคุณธรรมของตัวนี้ควมหูซึกงตัวตัวนี้มันละค่ายขื้นกันกับเฮาหูเรื่องตัวรูปน้ําของใหไม้นั่นแหละ แต่ว่าตัวนี้มันมันหูลึกซึ้งกลัวหันอีกแล้วมันก็ยู่ดุลขนาดนอนกลางคืนตื่นมาความหูซึกตัวนี้ยังคือเก่าอยู่เออก็เลยได้มาเข้าใจว่าการลุกการยางไปใส่นี่มันสิเข้าหูซึกมืดแล้วเาก็ยังค่อยได้มาเข้าใจว่าความหูซึกตัวของเขานี่มันบุมเป็นไปหูแต่ว่าในอาการของตัวนั้น มันมังหู้ในอาการสิ่งที่เฮาสิมาใส่พี่เรื่องสินสามพี่มันมารวมอยู่ในนี่มดเลยการสิเว้าการสิจ่าการสินึกสิคิดสิเหดสิทำอันนี้มันมาเข้าใจมันสอดคล้องกับตัวนี้พี่มืดขุมหูสึกโต้างเฮาตัวหูสึกโตตัวนี้นี่บทันนี่นะมีสิทธิที่จะไปพิษไปพาดเว้ากับพิษ คิดกับพิษทำกับพิษไปนําอีกโอ้อันนี้มันจังควยมาเข้าใจในะตัวนี้ขน้อยจังควยได้หู้ว่าเออเมนแต่กี้เ้องนี่มีแต่หู้อิลี่ห้หองบกเข้าใจจังว่าสนันนมาบั น, นี้ขน้อยก็เลิกกายเปน็นอันว่ายญานิญา น, านเรื่องสิไปไปไป เเววหรือไปคิดไปอย่างเว้าแบบเรื่องอันคือเพื่นสอบอารมณ์ถามอย่างนี้สิะเอออารมณ์ผู้นั้นได้เป็นจังไงเอออารมณ์ผู้นี้ได้เป็นยังไงบุก้าฮอลลีว้าอารมณ์ของผู้นั้นให้เพื่นฟังเพราะว่ามันเข้าใจในความหู้ซึกตัวนี้มันเข้ามาสุดในใจว่าถทางเขาไปบอกว่าอารมณ์ผู้นั้นเป็นยังไงนั้นในเพื่นฟังเพื่นสีหู้อารมณ์ของเขาก็แปลว่าเขาสีกายเป็นว่าบุหู้ซึกโตเลยไปเเ้าเรื่องของคนอื่นเสด้มันต้อมขึ้นมาใส่เจ้าของแบบนี้คันเขาเเววจังซีแล่อเพื่อนกระเสวะเอ้าหู้ซ ยังไปเว้าเรื่องคนนั่นอยู่อารมณ์เนี่นี่อารมณ์มาหนี้ผู้นี้อย่าบอกมันเปลี่ยนกลับขึ้นมามันเลยหยุดในเรื่องของตัวนี้ว่าเอออันนี้มันเหมืนควมเข้าใจในความรู้สึกตัวทัวพ้อมของเฮาอิลิมันหยุดเนี่ยนะเจ้าว่าขน้อยว่าเออมันก็เลย ม, มาเปลี่ยนว่าตะกี้เฮาวาหาห่าเฮาฮู้ซึกตัว <mm แต่บัดเพิ่นถามเรื่องผู้นั้นยังไปว่าวผู้นั่นบุดีว้าเรื่องผู้นี้นบุดีอยู่เนี่ยนะว่ากะบซิเมนว่าเรื่องดีกัยังเป็นอันเว้าอยู่ โอ้กาแฟว่าเขายังหู้ซื่อๆเขายังบได้มีคุณธรรมตัวนี้แม้มันสติตัวนี้มันบอกเขาเองข้อมแปกต่างของควอมเข้าใจในคุณธรรมว่าตัวลู่นี่นะตัวลูนล่นี่ลู่สื่อเนี่ยนะเออมาเข้าใจอย่างซีละกา็เออมันมันก็นคือสิบปุออกมาอีกได้ระดับหนึ่งอีกว่าจังสั้นซะจังว่าวัดไปเมืองไทยสุดนี้ได้อีกอ่าสามอาทิตย์อีกไปเก็บอารมณ์ยู่นําแม่พิกลอีก หลวงพ่อกระโทมา ก, ก็ได้ไปอีกไปรอบใหม่เนี่ยนะสามอาทิตย์ก็คว้มหุส้สึกโตตัวนี้มันสัดเจนขึ้นเก็บเข็มินภนสัดเจนกับเพิร์กวาธาภายัยพานหลวงตาสุริยาเอพานเมพิกุลกับผู้นั้นก็ไปวัดไปว่าได้บะสันโอ้เอาสิไปได้บาสันก็เออก็พอไปวัดไปว่าได้ก็มีความเข้าใจลายกัจิตใจเขาก็มีความเข้าใจว่า เห็นตัวเฮานี่หลายกลัวควมหูซึกตัวเฮาก็หลายกลัววาสันซามันก็มีอันดีหลายอย่างว่าสันซะสิ่งที่เฮาหูเห็นเข้าใจปฏิบัติมามันก็หยับยั้งควมโลภเฮาเดย์หยับยั้งควมกูนเฮาได้หลายแล้วก็มีควมหูซึกตัวกับควมเกื้อกูลกั็ดีสวยเหลือเกื้อกูลกับมีอันดีหลายอย่างก็จนจนเข้าใจว่าเออสิ่งที่เฮาเห็นเฮาทานี่แหละเนาะจึอเฮาได้มาเนี่กา ทั้งทั้ ง, งสุขภาพกระได้แข็งแห ง, แงป่านใดแต่ว่าได้หลับปากกับคุณเม่หนูเรียบเพิ่นก่อนงานริทรีตนี่สิจัดขึ้นได้ก็ได้เพิ่นก็เลยได้โทรมาบอกว่าเม่อยาขอลองเจ้าเด้อลูกสมพร่าสัน่นคันเป็นอะไรกายะทิมยาปะเด้อน้องเจ้าสมพนางพรสวร์ให้มันโทรหาแล้วก็ให้มีจัดงานจึงสิเื่อยเพิ่นบานะ เมยเพื่อ น, น่ะ น, นะตอนไปน้ากันอยู่เมืองไทยพอไปก็บประลุน้ากันเดยอยู่ในแพร่เซียงเทียนอืดแมย์กมุทนาสาธุน้าเจ้าที่เจ้าเอาเราลงได้พลสวัสนีเราแห้งเราแข็งหลายเจ้าเอาเราลงได้หดคันนี่ละเมยนะมุทนาเตในัยไงกระยัติมิญญาปะานองเพื่อนกเ็เลยอยากจัดตัวนี้แหละกะเ็เลยให้ขน้อยมาเบิ้งเธอหนึงมาขนอยได้มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะมาเห็นเร็วในในงานฤทธิ์ตัวนี้ก่อนสิเกิดขึ้นได้เนี่นะก็แมยคุณเมยมาเห็น คุณเม่คุณแมยยังให้ซือพนกันยังบอกคุณเมย์คุณเมย์สมอนอคุณแม่สายสมอนบอรคเพื่อสมอนนล่ละเมซีเมซีสมอนมาเห็นพันก็โอ้ยในใจก็เลื่อมใสศรัทธาในโตพันเลยเพราะว่าพันมีความเข้มแข็งหลายพันจนว่าใส่เฮือนหลังนี้เป็นวัดให้สถานที่เขาได้ปฏิบัติ เพิ่นก็บอกลดว่าบบต้องไปซื้อที่ดินมองอื่นพอหลวงพอ่อก็ยายไปสั่งไปเบิงง่งมองที่บนสามเเกอร์เคริองอะนะ เขาเจ้าก ว, ว่าราคาส0 0 0สนเนาะพน้อโอ้ยบุต้องไปเสียเงินเสียคำดอกเอาที่นี่ก็ได้เริ่มต้นของเราขนวยหลบภูมิใจในตัวพนเบ้าแต่มือแรกเลยพนว่าบุาต้องไปเสียเงินเสียท้องจัดอยู่นี่อคันบุตรีบขับว่าแครเป็นอยังนั้นโอ้มาเห็นก็นดีใจก็เลยโทรรายงานหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อเอ้ยเมตซีพนกามีความเข้มแข็งและก็ศรัทธาหลายแท้แท้ในใดเขาก็ทดลองตรงนี้แหละ หลวงพ่อเออขังหว่าจังซันก็ตกลงแต่จังวัดสถานที่นี่จังคอยได้มาเป็นรฤาษีในมือ น, นี้ขน้อยก็จังว่าโอ้ให้อนุโมทนาอำเภอน้ำเพลนเสียสละึงเงินไปซื้อเทเลอร์มาให้พระแต่ขน้อยที่แรกขน้อยโบได้ให้เพิ่นซื้อเทเดขน้อยว่าใ ห, ให้พี่วันิสามาสการคอยพี่วันิสามาตัดสินใจว่าเพิ่นเล่าเสีเอาแบบใดเหตุจังใดก่อนเพราะในแดงงานตัวนี้กับเป็นพี่วันิสาเป็นผู้สวยเหลือลอายยาง เพิ่นกัญวามาแล้วคฤติเกิดแล้วพัหลวงพ่อจัสิมนอนป่นเปกับโยมเฮากับบุคือเพิ่นวาละกะสีมาใส่ห้องน้ำร่วมกันเพิ่นกันยังหิบโฮมเงินกันกับน้องสายเพิ่นไปเอามาไว้ก่อนก็ัญวาณาเลื่อมใสศรัทธาในตูวของเพิ่นที่เพิ่นมีอ่ามีความอยากเหตุอยากทําแล้วอยากให้ฤทธิ์นี้มันเกิดทะนะขณนัยกัโมทนาสาธุน้าเพิ่นจังว่าขณนอยกับจังว่าตัดสินใจว่า ขอร้องพี่วณิสามาซวยแท้ๆเออเอ้ ย, ยในใดก็ให้งานลิขิตตัวนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าแมซีเพิ่นสัทธาหลายแล้วก็ได้ละขน้อยก็ได้รับปากกับแมซีดูเรียบแล้วในใดก็ต้องซอยคังนิกอนเป็นในใดก็ให้มา่วยกันเจ้าว่าเรื่องการมาเฮ็ดครัวนี่ขน้อยกะมาขิดเบิ้งแล้วว่า มันกับบุมีอย่างที่ว่าเขาการเจริญสติของเขามันเป็นเมครัวเขามีควมหูสึกตัวอยู่ตลอดแล้วมันก็สัมบายมันเห็ดด้วยควมบอบอฟ้าวโบฟังมีกะ ไดเท่าไดก็ออกเท่านั้นจะเสีมันอยู่กับปัจจุบันเลยเหตุการณ์เหตุคัวารึ่งพิวานิสาพุนเจนบูฮู้พุนอยู่ในปัจจุบันเลยบูฮู้ว่าตัวเองมาได้จากมือแล้วบูฮู้ฮอดวันอย่างหนีการจเจริญสติของเขาไปในโตเลยก็คือค้อมเขาปฏิบัติมาแล้วเขาเข้าใจแล้วเรื่องชีวิตประจําวันมันก็คือ <c oughs> ธรรมะคือนาทีนาทีคือธรรมะที่เขาจะเห็ุเฮ็ดอันใดให้เขามีความรู้สึกโตในขณะปัจจุบันปัจจุบันจิตเทามันก็บอออกไปนอก มันก็อยู่ในหัน <c oughs> มันจะบบไปเบิงโลกภายนอกโบกไปเพ่งโทษทั้งนอกว่าอย่งสันสะนี่คือการเจริญสตินี่มันมีอันดีหลายอย่างบมเมนว่าทอแต่ว่าเขาต้องสิงเป็นนางสมาธิกล่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวบอกหรือว่าการนางสมาธิเป็นเจริญมีปรสนากรรมฐานมันเกิดโมเมนแนวนั้นเพรอว่าคันเขาหูา้เขาเข้าใจแล้วทุกอย่างเป็นการปฏิบัติ ม, มืดเมแต่อาจารย์มงคลเพิ่นว่าเพิ่นก็เพิ่นก็เห็ด น, น้าซีดอกสีดีเพิ่นกั เป็นการปฏิบัติในโตเห็ดครัว wa, ก็เป็นการปฏิบัติในโตทนายวายเขาเข้าใจว่าคือรูปทำน้ํำทันของหลวงพ่เทียนเนี่แหละก็คือเขาลูปเขาคือห่างกายเขาเลยทําแต่คอให้มีสติทําในตอนนั้นเห็ดอันนั้นให้มีสติมีความห่วงซึ้งโตนั้นเป็นการปฏิบัติทำแล้วมันก็มันก็ ม, นกมีคว่ำเข้าใจอย่างนั้นแหละไปเขาก็เลยเป็นอันว่าโบมีอัน ขาดส่วงเลยเรื่องการต่อเนื่องเนี่ยเขียนบอกเห็ุคำว่าต่อเนื่องบว์เปนอาจารย์เพัน ว, ว่าว่าให้มีควมต่อเนื่องแหละมันสิเกิดทำและสิเกิดเหตุยกมือให้มันไปอย่างสี่นี้ต่อเนื่องสิงก็บอก่าหมายถึงจังสั้นคือต่อเนื่องคือมีให้มีสติระลึกลูก่แต่ละเนื้องที่เขาเห็ุเขาทำเขาเว้าวเขาคิดเขาพูด เฮาสิเข่าไปใส่มาใส่เฮามีควมหูสึกตัวฮันันคือควมต่อเนื่องของเพลินขั้นเฮาสิไปถือว่าความต่อเนื่องยกมือตลอดอยู่จังสี่นี่เฮากับโบได้กินเขา่าโบได้กินน้ามันตีเฮากัสิโบได้ไปห้องอาบน้าอาบไหนมันผู้เป็นยังสั้นคือว่าต่อเนื่องให้มีควมต่อเนื่องทุกอย่างคือมีให้ควมหูซึกงตัวระลึกแต่ละเยืองแต่ละเยืองเอาเห็ดในขณะปัจจุบันฮันฮันแหละคือควมต่อเนื่อง มันเกิดมันเห็นแล้วมันเป็นมันมีอิลิอันนี้มีมีคุ้มเข้าใจในตัวของขน่อยกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าปฏิบัติสามมือเท่านั้นละ่ะเข้าใจในในรูปนามอันนี้ก็ได้มันมีคว้มเข้าใจกายใจของเขาเนี่ยละใจเขาคิดถึกมันก็ฮู้ใจเขาคิดพิษมันก็ฮู้ใจเขามีคว้มโลคมันก็ฮู้มีควม้มฮู้ซึกตัเข้ามาในใจของเขานี่ เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้บัณฑิตข้าวหู้มันเป็นแนวนั้นละ่ะเนี่ยแบบเขาก็มาเข้าใจในตัวนี้แล้วมันก็แก้ไขได้จะว่าขน้อยก็บ่ามันบุมีอันใดที่ว่าจะจะว่าบูฮู้ได้ถ้าเขาเหตแท้ทาจริงแล้วก็เหตต่อเนื่องอิลิให้มีความหักในการเหตการณ์ทำของเขาเนี่ยแหละมันมันเห็นแล้วก็เข้าใจได้อิลิบ้าขนอยคิดว่าถ้าตั้งใจนี้มือนึงก็เห็นแล้วนะอาการของเขาเนะ่ยเห็นอาการของกายนะ มันสิท่านดดอยังเขาหนุวยนางอย่างเขาหนุวยก็ะหู้แล้วนี่ขาเขาหนุ่ยเจ็บเลยนี่นี่ขันต้นใ้เฮาหู้กายนี่ละก่อนเนี่นะมันเจ็บเลยเด้หนี่นะแต่ว่ามันสิทนได้บอนี่มีควอมเข้าใจในตัวนี่ก้อนนี่ว่าทนได้บอเพราะว่าสังขารตัวนี้นี่มันรูปนี่มันเจ็บมันปวดเลยเด้เฮาก็มาหู้ตัวนี้เลยล่ะถ้าเฮาหู้แล้วเฮากระเบิงแล้วมันพอเปลี่ยนเฮากระเปลี่ยนนี่เบิงมันไปเบิงมันมาอยู่สิละเปลี่ยนมันกลับไปกลับมาสิเนี่ยละของมันบบเทียงเด้นี่การเข้าใจทำอิดนะ บัตรต่อมาแล้วมันสิเข้าใจเนี่ยเขาหู้เขามีความปล่อยวางได้แล้วเนี่ยปล่อยวางเรื่องความเจ็บความปวดเขาเข้าใจในหูตนน้นแล้วมันสิมาเข้าใจในใจพี่อีกบัตนี่ใจเขานี่นึกดีเขากะหูนึกซัวเขากะหูคิดดีเขาก็หู้คิดบูดีเขากะหูเนี่ใจของเขาเขาบุต้องไปหูใจคนอื่นดอกคันเขาไปหูใจคนอื่นมันกะหูนอกโตัไปแล้วฮันบถตรหลักการของรูปทำน้ำทำของหลวงปู่เทียนเด้ต้องให้หูเขานี่ละ่ะหู้อิลิถ้าเขาวูแล้ว โบยขู่ก็บฮู้เรื่องใจคนอื่นนะพอใจคนอื่นก็คือเฮานี่แหละเพิ่นกับมีคมโลภคือเฮานี่ล่ะคมโกรธคือเฮานี่แหะคมหลงคือเฮานี่แหะแต่มันพิษไปเบิงไปฮู้ของเพิ่นแต่เขาเบิงของเขาเนี่ยแะมันคอยค่อยทึ่กลัวสั้นซะทึ่ขึ้นได้มันพิษเขาฮู้แก้ไขปุบปรับโปรได้ว้านี้เจนามันสิพิษข้าวฮู้พิดขอโทษพระโลดเดี๋ยวนี้พอกาบกับกาบตะกี้เขาไม่กาบบ่ได้ได้กาบคนอื่นโวยมีทิทิขึ้นอย่างสิไปกาบได้จังได้บนเมะเฮาแมนบอกแต่เดี๋ยวนี้กาบเพิ่นได้ หูพิษเพื่นว่าเขาพิษแล้วจัดพิษบูบพิษเฮาหู้อยู่บูบพิษแต่กะกาเพิ่นได้ก็คือเขาหลดละมณทนะิทิททได้อันเขามาสร้างตูลูว้วะ น, นี่อืหลังคนเพื่นกะว่าสร้างแต่เท่านี้หว่และสีหู้หู้ทำมาสร้างเท่านี้แหละบูให้เอาอีนัง่งให้มีความตูรู้ซึกงโตแต่ละเธอเขาหยุกขึ้นนี่พอแล้วเป็นอยังค่อยว่าพอแล้วเขาเปรียบประมาคือเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนี่เขาบูาต้องการเช็ดอีนั่งเลยบูต้องการว่า สิไปห่วงน้ํากิ่งก้านสาขากกใบของมันบุต้องห่วงเลยตัวนั้นพญัญามิหนาทีปลูกปลูกขุดดินให้มันก่วงใส่ปุ๋ยใส่ยังมีหนาทีหดน้ำพอหักของมันหันสิดึงดูดเอาหน้ามันขึ้นมากินเลี้ยงต้นเลี้ยงงาเลี้ยงใบเลี้ยงเป็นดอกเป็นผลมันขึ้นมาเองอันเท้าสัางคมหู้ซึกต่วนก็คือกันกับเท้าปลูกต้นไม้นี่แหละบัดสุดท้ายแล้วฮนะน่ะ ตัวความรู้ซึกโตนี่สิเกิดเป็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาขึ้นมาแก้ไขของมันเองคือกันกับน้ำที่มันจะดึงดูดเอาหักของมันดึงดูดเอาน้ําขึ้นมาเลี้ยงกกเลี้ยงงาเลี้ยงใบเลี้ยงอย่างมันเป็นดอกเป็นมากเป็นผลอันเดียวกันหันมืดถาว่าเขาสั่งความรู้ซึกโตตัวนี้นี่ให้เต็มให้พอแล้วมันจะแตกป่องคืออาจารย์วานั่นละนี่มันคือคือว้ามันคือเป็นเรื่องเล่นแต่บบเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องจริง เขาไม่กล้ายั่งยืนได้แท้ๆลดละมณะทิฐิได้ลดลู่สมมุติแล้ว ก, ก็ลุดออกมาลดสมุตดนี่ลู่ลูบลู่น้ํานี่ก็ลุดไปมดโลดเรื่องควมเข้าใจในเครื่องล้างของขังเรื่องมากพูบบุรีมูนี่ออกจนอึดท่าภัยเข้าใจในรูปน้ําตัวนี้แล้วเข้าใจสมมุตินี่แล้วสิ่งเรานั่นเป็นของภายนอกวัตถุภายนอกอิลิเห็นเป็นวัตถุอิลิเห็นเป็นปรมัตาเห็นเป็นอาการไปซื้ออิลิ ถามมันเข้าใจตัวนี้อีหรีได้ล่ะเข้าใจจริงๆแต่ให้สร้างแต่ตัวเดียวนี้หู้แล้วกับมันไปซอยอย่างได้เห็นได้บอ่บอบ่อไ้ว่าไปซอยอย่างเห็ดอย่างได้มันสิคอยเปลี่ยนแปลงของมันไปเองแต่ขอให้มันเห็ดถืกต้องเท่านั้นมันสิคอยเปลี่ยนแปลงไปเองเขามีหน้าที่เห็ดอย่างหน้าที่ก็คือหดน้ำใส่ปุ๋ยขันต้นไม้ก็เด เ่าต้องไปห่วงว่ามันสิ่เป็นดอกมือดายเป็นต้นมือดเป็นมากมือดายอันนี้คือกันสร้างควมหู้ซึกโตไปโลดตั้งแต่มือตื่นนอนพุ่นขึ้นมากำหนดหูโหลดตื่นขึ้นแล้วมีควมหู้ซึกว่ามือใดเขาจับพะ homogeneous ข้อไหนเนี่ยต้องให้ได้ให้มีควมสังเกตละเอียดป่านนั้นพุน่นเลนอนแขง ตอนเขานอนแข้งข่างขั้วตื่นขึ้นมาลังเือมันยังอยู่ข่างขั้วอยู่บอกกับไฮฮู้โรดลังเือมันเขานอนง่ายกับโบฮู้โบทันโบโบฮู้ซึกว่าเขามานอนงายหรือนอนข่างทรายใครเขาฮู้ซึกว่าโอ้มันผิดคิงโดยที่เขาบฮู้ซึกตู่นี่เห็นบอกพยายามฝึกมันอยู่หันจนมันลื่นนี่คือควมให้มันต่อเนื่องของมันจนให้มันได้สานานว่าเขานอนแข้งข่างขั้วหูเมื่อขึ้นมาเท่าใดม้งก็ตามเขาสือลุกไปห้องน้านี่ เลี้ยวเบื้งเจ้าของรถว่าเฮายังอยู่ข้างขวาือเก่าบ่พูดนะสติของเฮาที่มันสิเข้าใจอันนี้ก็าไยไปเข้าใจอยู่นั้นอันนั้นหลวงตาสุริยาเนี่ตะกี้เขานี่กัก บ, บละเอียดปานใดเลยนอ น, นี่ก็บหู้วันนอนมีแต่ควม้มแต่หู้ซึข อ, อหู้ซึกกะวะัว่าเตอหู้ซึกไปห้องน้ำมันจะไปหู้ซึกอยู่ห้องน้ํา พูดไงบัดมันมีความรู้สึกตัวที่ตัวรู้ตัวนี้ทํามันตัวรู้อิลี่ได้ถ่าภัยได้สัมผัสวันตัลู้อิลีนี่มันสิเป็นยังซสิอิลี่มันสิละเอียดเลยรู้นี่รู้แบบไดนรู้เข้าใจเวลาเจ้าแข้งขัวจะนอนตื่นขึ้นมาเจ้าก็มีความรู้ว่าโอ้หูสึกว่ามันยังขัวอยู่เนาะเออกำหนดหูหลังเธอมันก็เกิดความปิติดีใจว่าโห้ความรู้ของเขาขามคืนมามันยังต่อเนื่องถึงขนาดนี่เนาะพูดไงมันมีความดีใจเออ เขาดีใจเขาหลงเพลินไปแล้วดึงสติกลับขึ้นมากำหนดหู้ไปคือเกา่าหลังเธอโบได้กำหนดเลยอันควมหู้สึกโตตัวนี้มันจะไปแบบควมหู้ซึกโตของเขาเลยไปห้องน้ําอยู่ในห้องน้ํากับมีควมหู้ซึกโตจะแปลงฟันสีแขควสีค้างนี่ก็อยู่ได้ควมหู้ซึกโตจนมัดคันมันทั่วพอมอิริได้อันนี้นะ ตัวลู่ตัวนี้มันจังค่อยสิเป็นตัวลู่ที่พัฒนาให้เขาเมาเข้าใจกายใจใจลึกซึ้งอิลี่ตัวนี้สิเปลี่ยนแปลงได้ถ้าลู่ที่เขาไปจำเอาสัญญาในค้อมได้ยินได้ฟังอันลูนะ่นั่นหันฮู้ซื่อฮู้แบบเขาได้ยินมันพุดขึ้นมาซื่อๆนี่ยนะนะแบบคือเขาหลังเธอเขาก็ได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์เพิรนเบ้าออด้แต่เขายังโบทันได้ประสบการณ์ในตัวนี้หรือโบทันตัวขึ้นมาจากเขาเธอเนี่ยนะ มันสิลืมแล้วมันสิจืต่อไปแน่นอนอันนี้นะ่ะถ้าลู่ซึกของตัวนี้นะ่ะถ้ามันหู้ซึกอหลีเข้าใจในตัวนี้อิลี่นี่นะในตัวลู่ตัวลู่คือว่าเนี่ขน้อยเข้าใจในของขน้อยเองเนาะแต่ว่าบ่งหู้ว่าเรื่องคนอื่นสิงหู้แบบใหนบ่งหู้แต่เว่าเรื่องประสบการณ์เขาน้อถ้าตัวหู้ตัวซึกตัวนี้นี่ถ้ามันเข้าใจอิลีนี่นะมันสิเข้าใจ ทุกอย่างเลยในกายในใจของเฮาเฮ็ดถือเฮ็ดพิษเิ็ ด, ด, ดอย่างนี้มันสิเตือนเองว่าวเองลเล้งเทือสติเฮายัางอ่อนอยู่เสียแต่ปัญญาเฮามีอยู่ขันสติอ่อนมันสิลงพูดไปได้หน่อยหนึ่งลงว่าวไปหน่อยหนึ่งได้แต่ได้สติปักมันสิดึงกลับคืนมาโลดมันมีความหูซึกโตนี่นี่ไว้ก้นกระพุทธีวะหู้ อ่าแบบสัญญาในหน่วยหนึ่งแต่ฐานยังโบท่านป็นเอ็งนะฐานยังบโ เ, เ, นะเป็นปรมัณต์นะอันนี้เขาฝึกไปนําเรื่อยๆมันก็ต้องพิชภัตรอยู่นั่นแหละสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันโบเทียงเดชคอนสิร์ตแล้วก็ได้ถ้ามเมื่อใดตัวนี้มันเกิดเป็นยานหู้ตัวนี้แล้วเป็นออโตมติกอาจจะเพราะว่าถากันนะั้นมันก็สิคันอรหันเคืออาจาร์เ พ, นพลนวาพละเนาะแต่ตัวหู้ตัวนี้ทำมันยังอ่อนๆ อ, อยู่นี่นะเขาเข้าใจแล้วจังสิหลังเธอเขาก็มีสนทนาป่าใสา่หนามูเนาะถามมันสิ ลังเธอบัดเทอ ต, ตูวหู้นี่มันสัดเจนมันจะปิดได้ข่มเบานี่ปิดปิดปิดปิดปิดได้หมดโอ้แม่นบอกเออดีบอกมันแก้ไขไปได้งามที่สุดหน่อยหนึ่งนี่มันบบเทียงคมหู้แต่นี้มันยังอ่อนอยู่เดยมันยังโบท่านปิ่นแบบแข็งแก่งคือว่าสติเขายังโบที่สมบูรณ์ตัวลูกเขาโบที่สมบูรณ์ล้มไปหน่อยหนึง่งโบท่านพอ ส, งสังเกตสมองมันเผลอแล้วมันเงียบออกมาละหน่อยหนึ่งแล้ว ตัวหู้ตัวนี้แปลว่าอ่อนโตแล้วนะนะั่ะแต่มันต่างแต่ว่าถ่าตัวหู้ตัวนี้สัดเจนมันเขาได้สติขึ้นมาบาดหนึ่งมันกลับคืนมามันจะเปลี่ยนหนามือเป็นหลังมือกลับขึ้นมาเป็นคมดีขึ้นมาเมดได้เลยนี่ตัวหู้ตัวนี้เป็นอย่างสิมันบอว่าโอ้ยลู่ได้ยินมันพุ๊ธ พ, พ, พุขึ้นมาได้ยินตามที่เขาได้ยินสัญญานี่ขึ้นมานี่นี่แก้ไขโบได้ตัวนี้แล้วก็ใส่การยังโบทันได้อีกเพราะมันยังเป็นสัญญาอยู่ มันสิเข้าใจตัวรูตัวนี้นี่มันสิต่างเลยเข้าใจแบบนี้มันสิมีความละเอียดซุก ข, ขุมลุ่มลึกเธอพลาดพังกระ น, น่อยถ้าความรู้สึกตัวตัวนี้ที่มาห่าได้สัมผัสเวลาเ่าปฏิบัติมันได้อารมณ์รู้สึกตัวเวลาสียางสิไปคืออารมณ์ของรูปน้ำนี่นะ่ะมันสัดเจนอย่างสีน่นี่เออตัวนี้มันประสบการณ์ของเขาได้ไม้เอลีเลยนี่บุรุษบเหีอะไรอันนี้นะแต่ตางว่าเขาตรงพัฒนามันอยู่เรื่อยๆ มันกับบุมีอย่างดอกทีว่ามันหู้แล้วมันสิบบเซ่อมไปมันเสื่อมแต่ว่าเขาก็ต้องได้สร้างอยู่ตลอดอย่างสิลคมหู้ซึกงโตเนี่ยจะว่าขน้อยไม่มั่นใจเลยว่าความหู้สึกงโตนี้หู้แล้วเข้าใจแล้วนี่มันสิเสื่อมบอเสื่อมก็คือเขากินเข่าแล้วกินมือเศร้านี่กินมือสวยนี่เดี๋ยวนี้หิวเลยทุกคนหิวเลยได้ให้ น, หน้ำปนะให้กินอีกมันบอแต่เป็นเยียงเขาจังค่อยได้ เฮ็ดอีกตื่นมือเศร้ามาได้เฮ็ด breakfast อีกกินอีกลั่นมาเฮ็ดลันอีกแลงมากินน้ำปะนะถ้าไม่เข้าเป็นคารวานเนี่ยในวิบ้านต้องกินแรงอีกคือกันการปฏิบัติเนี่ยควมหูซึกโตเนี่เขาสร้างเป็นยังหลวงพอ่อเพื่อนกันยังยกมืออยู่เท่าซมือนี่ครูบาอาจารย์ยังยกมือเท่าซมือนี่กระพริบมันบุทีง่งมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตหลักเนี่คือควมถูกขังอันนี้จังอนาตาอนไ่ยังเสื่อมอยู่เขาก็สร้างพัฒนาสร้างตัวควมหูสึกโตเฮานี้ตลอด กำหนดฮู้ตลอดเห็ุยังซี่ไปตลอดบ่เขน่อยกะว่าอยากว่าตลอดตายหมดแล้วขั้นสิว่าเออขั้นเป็นออโตมัติกแล้วอืโบเหตุโบได้บ่บ้าเขน่อยกะยังบมหมั่นใจเว้ยออโตมติกปั่นได้กะยัง ส, ไงสิได้เห็ุอยู่เพราะว่ามันมีขุมลึกๆในใจเพราะว่ามันบางข้างมันลุดนะ่ะขน่อยมันลุดไปเลยแต่มันหัดได้ไวกลับขึ้นมาได้ไวไวขึ้นมาได้ไว เขาได้สัมผัสตัวรูนี่แหละลงเพลิปับขึ้นมาแล้งเธอเหลียวบึงพอท่านได้ว่าวเธอดอกมีคูบาอาจารย์เลือดบึงซื่อๆนี่มันก็ะลุบได้โหลดทันปุ๊บปับโหลดเห็นบ่กสติคขมหูสึกตูนี่มันไวแต่อืมมันสิ่แบบไข่คือว่าโบได้ดนถามมันยังอ่อนเนะก็แบบคือเขายังมีสติอ่อนๆเนี่ยโบได้ดนบึดมันก็ลุดไปอีกแต่เขาก็พยายามสร้างเขากับโบได้ไปยึดมันดอกว่ามันเป็นเพอไปแล้วก็แล้วไปเห็นไหม่ กำหนดใหม่เห็ดใหม่เอาจนว่ามันตูลู่มันสัดเจนพูดละก็พูดได้เห็ดยังก็มีแต่ขัวส่างขัวหูซื้อตัวนี่แหละเฮ็ดยุตตลอดบันบรมีเวลาสิกับเบิงกำหนดหลังเท้อเขาเพิ่นซอยพักอยู่สิตาพอจกเลือดไปเบิงโอ้พูนั้นคือเห็ด เ, เหงานอนแดนไปตายัางไปเบิงเอาไปเบิงพูดแล้วกลับขึ้นมาเบิงแล้วพูโอ้นางนี่นคือว่าย่างเล่นย่างหัวนอเพราะว่า เอาใจจะไปเบิงเข้าเจ้าให้ยังกลับขึ้นมากับคนมุสกโต้เฮ็ดกินเห็นบ่กมันเตือนตัวเองอยู่ตลอดนี่คือขุมเขามาเบิงเขาเองหูเขาเองเฮ็ดจังซิแหละอยู่ตลอดแต่ขุมอยากให้มันชัดเจนคณาหูจังสิแล้วเนาะคณะอยากให้อยู่บ้านอยู่เฮือนนะผู้ไม่คณะอยากให้เฮ็ดเฮ็ดอยู่บ้านนะ่ะนะตั้งใจเฮ็ดอิลิเพราะว่า สังขารเนาะเขากระเ่าแก่ละแปลว่าตอนเขายังมีเหือ่อมีแงหงนี่อยากให้เห็ดอิลี่อยากให้ทาอิลีตั้งใจสะก่อนมีแต่ตัวหู้ตัวเดียวนี่สิปุบถูกปุ๊บเนีเขาได้เด้เพราะว่าเขาน้อยหู้แล้ววา่าตอนเคาหนอยไปปฏิบัติใหม่อายุสี่สิบปีมันยังเหือ่อแหงเห็ดต่อเนื่องเห็ดปึ๊บจักอิดจักเมืเห็ พวมเข้าใจเนี่ะมันหู้ไวเห็นไวได้เพราะว่าเวทนาเขากระบาลบัดเขาแกคิงมาจังสิ่งอะไรเขาได้นางบริได้เขาสี่สมองหาสมองได้ขนาดเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงเลยเด้รูปของเขามันมันมันมันเสื่อมโซมแล้วเนาะคันซีบัลแล้วก็ได้ใจเขาเข้มแข็งยุตแต่ว่าไก่เขามันเปลี่ยนแปลงมันเถ่าเลยเด้มันเสื่อมมันโซมแล้วนั่นล่ะมันสิมิุปัสักลายแต่คันเขายังมีเหื่อแหงเขายังมีเวทนาหน่อยนะพวมเข้าใจไหมนี่ ให้เฮ็ดโลดต่อเนื่องโลดขน้อยมั่นใจเลยว่าถ้าเฮ็ดจังีิได้ล่ะเฮ็ดแบบเขน้อยเฮ็ดนี่ล่ะเฮ็ดเบบืนองเก็ดได้ก็ะหู้แบบนั่นล่ะแต่ว่าการเฮ็ดแบบนี้นี่ขน้อยกล้ายั่งยืนได้ว่ามันมีความเข้าใจได้แล้วก็สิปดถุกปดหน้าเขาออกได้อลิ้ามีความถุกระดับได้ก็ตามปดออกได้ตามสติปัญญาของเขาอันอื่นขน้อยบวกาการันตีเพราะว่าขน้อยเคยเฮ็ดมาแล้วพุทธโธนี่เจดปี โบปดเองอย่างค่อยออกได้เลยเข้าใจยังกับโบได้ให้คําตอบคําถามโบได้อิลิเพราะว่าอินซีเขามันอ่อนเขาฮิตโบได้เขานั่งดนโบได้ต่อเนื่องโบได้เฮ็ดได้แต่สะพลนัง่งรับตาอยู่หันสมวงสองสมวงสูง ส, สุดออกมามันโบท่านสิเป็นไฟแดงแด ง, แดงซิมซีสำนะ้อันขั้นสีไฟก็เด็นขั้นว่าสีาหุงเข่ากับโบท่านเพราะสิเข่าโบท่านห้อนสานะ สมวงหนึ่งมันสะได้มีย่างออกมาเลยเด้ออกมานอกเจ้ากับเป็ น, นขึ้นคือเก่าล่ะกรสิกรับขึ้นไปนั่งหม้อีกคือเก่าเขาบอกเฮาเฮามันโบดได้อินทรีย์เฮาโบดได้จําเป็นอันนี้นี่ถ้าเฮาหูลักการละเฮ็ดได้ตลอดเลยนี่น บ, บอกเฮ็ดจังได้กระได้สิย่างสิลุกไปใส่เฮามีควมหูซึกโตไปเลยมันต่อเนื่องไปเลยบาทนี่นะถ้ามีโอกาสยาใหม่สิกระมานั่งได้ส้วงสองส้วงสาม ส, าม ส, ามสม้วงเดินจมกลมขั้นต่อเนื่องอย่างสินี่ขนไม่บอกรถว่ดสามมือ มีความเข้าใจลดเข้าใจในในในตัวเองเขานี่ละ่ะบบได้ไปเข้าใจคนอื่ น, นเข้าใจแต่ว่าใหา้มีความสังเกตน้าแนว่าเวลามันเจ็บใส่ปวดใส่หันละก็มีอาการของกายเดยเพื่อนให้เขาเบิ้งเป็นบอให้เบิ้งกายออบดูกายเห็นใจเพื่อนกัญวานเนี่ยให้เขาเบิ้งกายเขานี่ละ่ะมันเจ็บมันปวดให้เบิงบ้งสัก่้อนเบิ้งอันหยาบๆอะไรเบิ้งมันเจ็บทนได้บอต่อลองมันอยู่หันทนได้เออทนได้ทนสะก่อน แก้ทั้งใจผ่าทนบาได้หลีอแก้ทั้งกายคอยกําหนดลุกแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนครังนั้นเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยบำบัดมันไปบึดหนึ่งมันก็มันก็หายไปแล้วเด้หนี่กายแต่เนี้เอาอยู่สิล่ะจนกลัวว่ามันเข้าใจอีหลีมันปล่อยวางในเรื่องกายนี่แล้วแล้วจังค่อยมาเบิงทั้งใจเบิงใจเบิงมันนึกมันคิดมันคิดหลายคิดดีคิดซัวคิดอันใดก็ตามคิดไปหาลูกคิดไปหาภัวอันใดก็ตาม ถ้ามันยังดึงเข้าไปหลายยุดพอมันยังสติให้อ่อนกลับขึ้นมาเบื้องกายเฮาเจก่อนเห็นว่าเฮามีทันออกหลายหลายเฮามีทางออกหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายแล้วก็มีทางเลือกดีกว่าเขาสิ น, นั่งนึกนั่งคิดเอาเออสวรรค์ยังเหาะเหินเดินอากาศนี่ก็เหาะมาแล้วเนี่ยนะเหาะจนเห็นพระพุทธเจ้าไหลลื่นอยู่แล้วอเจ็ปีเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังบ่ได้คําตอบเดะอันอันเหาะอยู่นะเหาะเหือนเดินอากาศอยู่นะ บัมาเหตุอันนี้ได้คําตอบสามมือเข้าใจมีคําตอบมีคําถามหายสงสัยฮอดการเกิดการตายตายแล้วไปใส่ก็หายสงสัยโบต้องห่วงเลยอันนี้หาคําตอบเขาได้อิลิเพราะมันเห็นตามควอมเป็นจริงเด้เห็นแม่นั่งยกมื อ, อยืนก็เห็นโบได้นั่งนึกเอาว่าเห็นโอ้ยนึกเห็นมาพระพุธทธลูกเขามาอยู่ในใจนี่นึกลูกแก้วมาอยู่ในท้องใส่โบได้นึกเอาแบบนั้นเห็นตามค้อมเป็นจริงเลยอันนี้นะ แท้ได้อันนี้คอนโวล์ข้ขขมจริงเนี่นี่นะเห็นตามข้มเป็นจริงเนี่ยพนจน์ข้อเอิ้นวิปัสนาคันวิปัสนาต้องเห็นแจ้งตามข้มเป็นจริงขันเอาเห็นอันไดที่เขานึกเอาคิดเอามันเป็นแจ้งอันไดมันบบแจ้งลับตานึกเอาซื้อซื้อกระส้นคือคนนอนรับแต่น้อยเท่าใไยพอแมย์ไอย น, น้องมันก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันมืดแลยที่มิตรนอนรับเอาแต่ เขากระโบไปตำนี้ติเตียนเพิ่นเธอเพิ่นเพมีบุญญาบารมีหลายเพิ่นก็เห็นได้แมนบลักคุบาอาจารย์เพิ่นมีท่าม24 e n hour เลยนะเพิ่นมีท่ามสาวสี่สมองเลยสี่เห็ดแล้วเพิ่นก็ได้บำเพนมาหลายกับหลายศาสตร์แล้วคือเฮานี่ยนะลูกอยู่ยใส่ผัวยู่ยใส่เขามีแต่ควมบุ่นควมวายมีแต่ควมขิดปรุงแต่งหลายอย่างหลายแนวควมถูกถมอยู่กับเขาเขาสิไปนั่งสมองส่งสมองนี่ เขน่อยบอกว่าปดโบได้คมถุกนปดโบได้อันนางนางสมวงสองสมวงอันมาเห็ดเคลื่อนไหวเองสมวงสองสมงกะกะสิปดโบได้คือกันเนี่ยนี่ยขั้นเห็ดโบต่อเนื่องเลย น, นะทุกอย่างคือกันหาเงินหามือหนึ่งสองมือเขากับโบได้เป็นเศรษฐีมีมังได้ได้เม็นบ่กต้องได้หาอิลีได้จังค่อยได้อันนี้คือขั้ น, นแต่เห็ดต่อเนื่องสามมือกับเจ้านางต่อเนื่องสามมือเจ้าสินางได้โบต่อเนื่องสามมือนัางรับตาพุดโถในสามมือต่อเนื่อง อินทรีย์ของพวกเขาแม่นบอกโบได้แต่เขานั่งสามมือเจ็ดมือสิบมือสามเดือนขน้อยก็เฮ็ดมาแล้วเก็บอารมณ์อันนี้นะเฮ็ดได้พอมันหลายอะไรเนี่ยบทเฮ็ดได้เขาเปลี่ยนได้นั่งเก้าอี้ก็ะเฮ็ดได้นั่งเหยียดขานอนเฮ็ดโอ้ยสบายสายเหลองผู้พุที่ยนใจมันสบายสบายแกผู้ที่ว่าสุขภาพโบเข้มแข็งโบโบแห่งบุเา่าผู้เก้ขานัดเราดีใจว่า มาฮอดอเมริกาอะไรยังได้ยังได้พบพ่ อ, อาสายงานของวิปัสสนากรรมฐานสายงานของหลวงปูเทียนสำ ม, มนำํำเมืองลัทธิเวกัสแห่งเป็นเมืองนรกเมืองห้อนเมืองห้อนทั้งภายนอกห้อนทั้งภายในวัตถุอันไดมันก็หลากหลายหลายอยู่ในลัทธิเวกัสอันนั้นแต่ก็ยังมีวัดปาก็ด้วยบุญที่เมซีสุรางกุนตั้ง วัดป่าเพิ่งกับไปนาเอาสายลงปูเทียนนี่เข้ามาอยู่ในสายลงปูเทียนมาอยู่ในวัดป่าเฮาก็ยังมีบุญวาสนาที่เฮาเฮ็ดลาเหตุการณ์เฮ็ดอยู่ในคาสินโนเฮาก็ยังมีเวลาได้เข้าไปปฏิบัติก็ได้เข้าใจตัวเองในระยะสั้นๆเลยเขาเยก็คิดว่าบุญบาลมีหลายที่สุดที่เฮาได ได้เห็ดได้หู้ตัวเองวัชรศาสตก์ได้ใส่ชีวิตของเขาเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาทั้งแม่นขน้อยสิบุมีคมหู้มีสติมีปัญญาได้เอามา <c oughs> มาบอกมาเล่ามาเตือนแบบลึกซึ้งเนี่ยนะแต่ขน้อยก็ได้เหยื่อแหงมโซยพุทธศาสนาเขาเลยกระพุมใจละสำนี้ได้มาคุกเขา่าคุกน้ำเฮ็ดยูเฮ็ดกินให้กระยาณะมิดเทา้าพนได้มาตั้งมกตั้งใจปฏิบัติขน้อยกระพุมใจแล้วขน้อยก็ยกได้ว่าควค้มจริงที่ขน้อยเข้าใจว่ามันเกิดมันเห็นมันเป็นมันมีอิริคันธาเขาตั้งใจเฮ็ดเนี่นะเพราะว่าขน้อยได้ประสบการณ์มาแล้วมันเป็นอย่างสิขน้อยได้ว่าควค้มจริงแสนงข้าน้อยกระพุมใจละ ถึงม tamam ันสิเพิ่นสิเอาก็ได้เพิ่นบ่เอาก็ได้ขนไอยว่าตามความเป็นจริงแค่นี้แหละที่ว่าเราได้ส่วยพุทธศาสนาแล้วก็ภูมิใจกาสีบ่มีอย่างแล้วเนาะท่านอาจารย์เนาะมีอยัางทมก็ทมได้นี่แหละผู้คนใหม่เนี่ยให้อันหู้จิตในจิตหู้กายในกายตลอดสักสี่สโมงทุกวินาทีเลยหมอ อันทุกเมื่อทุกยามเลยจึงคอยซีไปรอดเพราะว่าวสิกินสิยูสินางสิรอ น, นเข า, ห, า ห, เห้องน้าห้องสุ่มเล่นอย่างก็ตามต้องได้หู้ในชีวิตของเขาให้หู้จิตในจิตของเขามันเห็นแล้ดายหู้ในกายของกายเขามันเป็นอย่างไรคันคันซเวอลเรื่องว่าให้หู้จิตในจิตมันก็นเป็นภาษาบาลีเนาะยัตสิวอลภาษาบาลีสักข้อนึงบุเกงภาษาบาลีคันซีว้าภาษาใจนี่แหละภาษา ตรงๆเขาเลยเนาะขั้น House s i ้าว่าจังสั่นกับว่าได้ s i v ให้ <ries> ู้จันบะโบโบตลอดสักสี่สัโมงมันก็เป็นใบโบได้เ o าส e s i h e จังได้ว่าส i h o o ไก่ในกายขั้นไม่เสียเมสิคิดอ่าเมอันนั้นส i h ู้ว่าหู้ได้สักสี่สัโมงได้จังได้เพราะว่า มันเศร้าสี่โมงหันจะเข้าเสด็จอีอย่างเต็งอย่างเข้าสิมื่อละลึกเห็นมันอยู่ตลอดใจเขานึกขึ้นอยัางทุกอย่างทุกย่าสลึกมันก็เป็นไปโบได้เขาสิไปหู้จนมืดจังสั่นก็เป็นไปโบได้โอ้มันกับโบขันพระอรหันตินอขันจิไปเข้าใจกายใจใจไปตลอดจังสั้นคือเริ่มต้นนี่เขาสร้างควมหู้ซึกตูนสะกอนห้ควมหู้ซึกตูเขาเนี่น่ะมัน เขาเสื่อมเป็นพร้มหูสึกตัวเนาะคันสิวสติกะเจริญสติเขานี่ยให้มันเข้มแข็งสัก่อนซะแล้วก็เบรรงกายของเขาเนี่ล่ะความหมายบรรงกายกระเบื้งการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยละบรรรงการเหตุการณ์ทำการอย่างของเขาคือวายุเฮือนเขาล่างถวยกรสีกายเขามีคุ้มหูสึกตัวอยู่น้าล่างถวยฮันเขาล่างอันพัดเฮือนเขาก็ถูเฮือนกับมีคุ้มหูสึกตัวน้าเสร็จบ้านกวดบ้านถูเฮือนเนี่ยล่ะพอมันสิตางกันในคําว่าหูอันนี้กวดบ้านถูเฮือนมีคุ้มหูสึกตัว เรื่องกวดเฮือนไผ่กับกวดมาตั้งแต่คู่จะควมเป็นค้นพ่อแม่สอนเนาะขันกวดบูฮูซึกโตมันกัเขียวเรีวเขียวไปแล้วเขาอยากไปเล่นบัลลี่น้ำมูหุ่นเป็นบอระกวดบูฮูซึกโตเด้บัตรขันเขามีควมบูฮูซึกโตเนี่ยมันผสิต่างได้บาดนี่ยเห็นบอกมันจะคอยปัดไปมีสติอยู่ในหันได้หนิต่างกันเนี่ยเนบอกขันมาตักเข้ามาแม่เขาสอนลูงเอ้ยตักเข้ามาเด้อให นางดีๆเป็นพลังเถือนในเฝ้าได้ใจยังมีน้ำมูลตักเข่าใส่พนังเฮาสะเฮียซ้ายนี่คือความบุ้งหูสึกโตแต่บัรเทามีความหูสึกโต้เม่เขาว่านี่โอ้ยนางเม่เขาบอกว่าให้นางเอาอันสนนองอัดก้นพนวานะพนวาน ะ, นานะมันจะค่อยบุ้งหัวโบหลายคามตะกี้เขาบุ้งหูจักได้พอเม่เขาสอนเนาะตักเข่าแต่ละขันในกรซาถูกอุอะมูมะมุลมาคำคูณมูลขืนกินอย่าให้บกจุกย่าให้หลงยาให้บ ก, ก, บกเป็นหดัดยาให้ขาดเป็นวังสังขละกำลังยังคือเกาอุอะมูมะมุลมาแม่ สอนจะน่อยจังจื่อเท่าซูมือนี่อืมใจเขาตากักเนี่ยมีสติเด้นี่ไปยองไปมาไปเฮ็ดนี่กระเฮ็ดมีสตินี่อันนี้ควมมีสติถ้าเฮ้าแต่ยังน้อยเฮ้าก็บวชหู้เรื่องดอกกนันะจื่อได้ซื้ซอเปน็นนกคุณแกว้วหุนทองได้อันอันอันคําที่เมบอกนอุอะมุมะมุนมาหันแต่บัดมีสติเฮ้าบวาจังสั้นก็ได้แต่ขอให้มีสติบาทเนี่ยตักเขาอืมนี่เบิ่งกายในกายเด้นนี่นะ เอาสติคือเอาใจเขาบอกเบิ้งในกายเลยนี่นะถ้าเจ้าบูเบิ้งเข่ากับซเฮียนี่บางเอเจ้าบูเบิง้งบางเธอเจ้าสิทักมาเทสสิพี่นี่เป็นบลานัทคือเบิ้งกายในกายถามว่าซีเฮีเบิ้ง24ชัเวโมงอ่ามันกับโบเมนถึงขั้นนั้นถ้าเจ้ามีสติระดับนั้นเกิดยานปัญญาแล้วมันเบิ้งของมันอัตโมติบัดนะนะอันนั้นมันเบิ้งของมันอัตโมติกต่เริ่มต้นใหม่นี่มันจะโบเมนมาถึงขัน น, นัแต่ให้กำหนดหู้ซอยซอยมันตักเขา่าไขหัวตักเขา่า เฮ็ดกินซอยพักไก่หู้ว่าซอยพักนี่คือว่าเอาจิตฮัมบอร์เบิงกายเผือมีความรู้สึกอยู่กับบนเฮ็ดกินล่างถวยอาบหน้ําอาบหน้ากเขาหูเขาก็มีความรู้สึกตัวสิ่งที่เขาทํำนี่คือเขาขันเฮ็ดหูไปลึกๆมีสติหรือความรู้สึกมันเข้มแข็งแล้วมันเป็นรูป ท, ทําน้ําทําเลยหรือเ่าเนี่เฮาเห็ดเนีงยใจเขาอยู่กเขาเลยเดี๋ยวนี่รูปทําน้ําทําเห็ด เห็นไหมโบมเมนไปหู้ไปทําทั้งอื่นเนี่ยทำกับตัวเขานี่แหละรูปทําน้ทนาทําทําการทํางานทำหน้าที่เนี่ยบห็นหน้าที่แม่ก็เห็นหน้าทีเมฆเนี่ยรูปทําน้ำทำหน้าที่พระเพื่อนเกษตรของเพื่นเนี่ยรูป ท, าทําน้ําทําเขาหน้าทีคารวะญาติยมมีหน้าทีเท็คแค่เพื่อนเขากะเนี่ยรูป ท, าทําน้ําทํำนี่สายลงพุทธง่ายง่ายคว้มเข้าใจนะคว้มเข้าใจ ตะกี้เขาอยก็บรรยากเทเ ท, ทอันยกมือเนี่ย่ะปฏิบัติทำนี่ยากประเด็นนี้บวญยากจากักเหยื่อเออบัดเขาเข้าใจเลยได้บวญยากง่ายเรื่องการปฏิบัติเนี่ยแต่ขอให้เฮาเห็ุอิลีทำอิลีหู้แจ้งเห็นจริงได้อิลี มีอย <s 5000> <c oughs> <laughs> ่งสงสัยอีกบอการลคนคนกสิามัติแม่นีไปความลาวไปคนฟังเล้วสติกามีควอมืูข้มือแจ้งแจ้งสติก็คือค้อมือสึกโตนี่แล้วข้อมูอสึกโตนี่แล้วหูสึกโตหูเมื่อิงก็ว่าก็หูเมื่อคิงเฮ็ดยังไงหูเมื่อคิงไอหูสึกโตขันเอาเห็ดไปเฮาบูมีควอมูอสึกโตบูเขากะ มันกับบุมิสติแล้วตอนนั้นเป็นบอกล่ะนี่เห็นบอกคือเฮาย่ำเข้ากระตูงมันโอนบอกมันแข่งเฮาก็บสถึงขันสิไปบริกรรมมันป่านนั้นดอกว่าย่ำเขาให้มันละเอียดเด้อาสิก็บสถึงขันยังสั้นดอกแต่กระหู้ซึกว่าเอ้ยย่ําเขี้ยวกืนกินกงเฮาหู้ซึกซื่อหนะหู้ซึกมันซื่อเอาแต่คมหู้ซึกเลยซื่อมันลึกซึ่งได้แท้ได้ว่าคมหู้ซึกโตนี่คณะสิเปีประมาณฟังด้วยคมหู้ซึกโตนี่เด้อ ลังเทอมันสิบละเอียดไปไหนฮะวา่าข้อมือซึกตัวหูซึกงตัเฮ็ดยังซี่นึ่ก็บหูซึ้งหนึ่ขนอยก็บหูซึ้งบะข้าวนึยงทิ้งนี่ปในหูซึกตัแต่ข้อมืตัวหูซึกงตัตัวนี้นี่โอ้มันมันลึกอีหลี่เด้คั้นเท้าเข้าใจลึกซึ้งอีหลีเข่ามาจนว่าอ้อมจักรวาลเลยก็ได้ขนอยสิีว่าเปียบจังซี่ไลยเป็นอ้อมจักรวาลก็ได้เรื่องเรื่องข้อมือซึกงตัที่มันเกิดเป็นคือยานลู่กับ่ได้อันนี้นะผู้ไหน เฮ้สิว่าเออสร้างคมหูซึกยังสิหนิมันสิไปตัดทุกตัดยากอย่างงี้คมหูสึกโตน้งเธออายุสิบเธอก็หูตั้งแต่เธอเดียวอันนี้เป็นควมหูหน่อยหน่อย คมหู time, ้หน่อยๆให้สะสมสะกอนให้สะสมตัวหู animals, ้หน่อยๆนี่นะสะกอนให้จนมันเกิดเป็นตัวลู่อิลี่ลู่แบบเขาเห็ดขึ้นมาอิลี่เด็บโบเมนวาเพันเว้าว่าตัวหู้ซึกตัวหู้ซึกตัวซึ่วเว้าซึ่วบโได้อะนะจนว่าให้มันมาหู้กตึกขึ้นมาในใจเขาป้งขึ้นมาในใจเขาอหลี่ขันว่าหู้ลู่หู้น้ำให้มันสะดุดขึ้นมาจนหู้ลู่หู้น้ำอิลี่ผุนได้ตัานตัวนี้นี่สะดุดละปะปลอยได้ เปิดทางตัวนี้ได้แล้วกะโบต้องห่วงดอกธรรมวิจยะมันสิมาเองมันแล้วโบจาเป็นต้องไปสวดไปท่องใบโอ้บทนั้นอมัดขึ้นใส่สมองแล้วเป็นบอมันไหลออกมาของมันเองเจ้าว่าวโบได้ก็ตามแต่เพิร์นว่าออกมาเจ้าเข้าใจพอเขาโบได้อ่านนะโบได้เรียนได้ภาษาบาลีแต่บัดเวลาเพิร์นว่ามาเจ้าเข้าใจของเจ้าเองอันนี้มันเขามีความบกพองน้อยหนึ่งคือว่าเขาโบได้เป็นนักปริยัตคือเพิรนเขามีมีอันเสียเปรียบอยู่ตรงนี้แหละอันพวกที่ว่าภาษาใจนี่ได้ พนันพันจะเว้าได้ละเอียดนิ่มนวลนผู้ที่พันประสบการณ์แนแล้วก็สองมาพันได้เฮียนบาลีมาเพันเป็นนักทำตีทำเอกเนาะพันเว้าสิได้นิ่มนวลแต่บัทพูดที่ว่าประสบการณ์ออกมาจากคิตจากใจพันเว้านี่มันมันตรงตรงชื่อจุดจุดจังไดจังหนึ่งเลยโบมวนบนิ่มบวนวลขน้อยกัจะยอมหรับขน้อยโบมากบหมักไปใส่ขน้อยอยากนกหลวงพอบัอยากให้ขน้อยได้เว้าขน้อยโบมีบรารมีเรื่องเว้าอันนี้ ว, ว่มันกระโบแซบบบนัวคึกจริงเข่าบบมีเป่งนัวนี่แหละแต่เป็นอย่างเพิ่นอยากให้ขนอ้ขนอยว่าวก็คือเพิ่นว่าและ่ะว่าวซื่อๆว้าวตรงๆนี่ล่ละั น, นี่มันว่าวโมีอันโพสิเอาเนีอันบักเพรนปป้ป่าเป่งนัวกรบโบใสขั้นว่าตําบักฮ้เงกระเสียบัก้องลุนๆให้กิน่นหนึ่งสั้นๆ น, นะมันเป็นไปอย่างนนัะ้แต่มันเป็นอย่างซีอหลีควมหู้ซึกงตัวตัวนี้นี่มันลึกซึ่งอหลี ขน้อยจนโบจักสีว้าเลยค่ะมันคขาวหู้อิลีอย่าให้ไปว่าหู้อันนั้นโอ้ยได้สัมผัสตัวหู้ลู่นั่นลู่นี่มันลู่ไปลู่มาลู่จนเป็นพระอรหันก็มิหันเห็นบอกมันลู่จนเป็นไปไปออกนอกตัวไปเลยเห็นนะมันมันกะมันกะมันกะบโบเมนลู่แบบนั้นถ้าลู่แบบนั้นมันต้องลู่ตัวเองลู่ว่าเฮ็ดยังทำยังเข้าเออลู่ลู่เข้ามาภายในอย่าไปลู่ภายนอกข้าลู่ภายนอกละพิษ อันสายหลวงพุทเทียนได้อันนี้น่ะสายใดเพิ่นกระซิว่าคือกันถาเว้าเรื่องวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เขาน่อยเข้าใจในสายหลวงพุทเทียนเขน่อยมั่นใจว่าถ้าลูกเข้ามาภายในของเขานีิฮู้จักเขาเองน่ะนะ mm. เขาเห็ดถือเห็ดพิดเนี่ฮู้จักเขาเองนี่ถือเอามีอย่างสิถามอีกบอเขน่อย ตอนใจให้เด็ก็นอนเป็นอะไรตอนใจหตอนใจให้ค <laughs> <laughs> ันน้อหู้ว่าเข้าใจให้เขาก็ะหู้เลยเด็หัน่ะคันน้องหู้ว่าเข้าใจให้แหละเขาก็ยุดเป็นบอกแต่ตอนที่เขายัางเทียงอยู่หัน เ, เขาบได้หูเห้เด้หัน่ะเขาบได้หู้ว่าเขาเอาตาลิงตากออยู่หันละเขามันเขาบวันหู้เถือะจนกลัวว่าเขาเมึ่แมแมาายแล้วเขามื่ยแล้วหู้ซึกมาโถเข้าห้แล้วเขาพิษแล้วตอนนั้นจะเป็นบัตรหู้ อันตอนพ่วมขึ้นจ้อนสินจ้อนเสืออยู่หันโบทันหูจักเลยอันนั้นนะเอออันนั้นโบธันหูเออเออนั่นล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ว่าบัตรสร้างตัวนี้ดูๆแล้วมันสิ่เปลี่ยนแปลงมันเองเพราะว่าตัวนี้เขาไปไปไปซอยเหลือขึ้นตุงหู้ตัวโบหู้ขาสีหายมาอย่างเช่นซะอันตอนตัวโบหูมันไปต่ําอยู่มันก็เลยโบทันได้เข้าใจมันกะมันก็เป็นแนวนี้แหละขนอยว่าขน่อยมั่นใจเลยเรื่องการหยกมือของสายนมันมันไวมันหลัดแล้วมันตรง คนเจเนอร์มันเป็นสายเอกสายเดียวมั่นใจแล้วขน้อยคิดว่าเมือ่อรัฐสิบการนําข้าน้อยโลดขน้อยพายกันยกมือโลดไปจะไปเก็บอารมณ์ข้าน่าจะไปเลี่ยงเข่าเองดอกสบาย แ, แล้วก็สีเข้าใจได้ไว้ดีก้อนสิ่ไปเสียเวลาเ ส, เ, เสียเวลาเสียเงินเสียทองปัจจุบระใจบองหวงดอกเงียป่ามีเงินหลายแล้วแต่เสียเวลาสิไป แต่นั้นขน้อยว่าขั้นถ่าไปเห็ดจังสิ่นี่น่ะไว้ตรงรัดสิเข้าใจตัวเองแล้วสิบูห่วงเลยเรื่องว่าตายลูกกูตายไปแล้วผัวกูตายแล้วเจ้านายคนตัวเองเขาตายเขากระสิโบเสียดายทำมาเข้าใจตัวนี้แล้วนี่แท้แท้ไดขน้อยนี่มันตายหลายขั้งแล้วนี่น่ะนี่นะทำนี่นะเอ้ยเนี่ยกับเซี่ยวเหยียบเอาทุกแรงทุกแรง แต่ตื่นมือเศร้ามาเงยเอื้อยยังโบได้เข้าใจว่าขนไม่เป็นอย่างตายน้องไข่เนาะหน้าตาสดใสได้น้องเ อ, อิบอิ่มดีโดยมทนาสาธุแล้วกินปั๊บเอื้อยไปเหยียบเอาเ อ, อิบเ อ, อิเ อ, อ, อยู่ในห้องคุณเห็นบอรูปกับนามันแยกออกจากกันยิงสิมันได้กำลังใจเพราะว่าอยากซวยเหลือเกลือกูนเพราะว่าเขาอุทิศชีวิตจิตใจให้พุทธศาสนาแล้วว่าถ้ายังมีล้มหายใจอยู่ขนไยจะต้องซวยหนักปฏิบัตินี่นะ ซวยเหลือเกื้อกูลอันนี้ดีคนขาวน้อยสิไปเห็ดแนวอื่นเพรอว่าขน้อยบูมิทึ้สิไปเห็ดแนวอื่นแต่เรื่องนี้ขน้อยเห็ดได้เห็นบอกใจมันเปลี่ยนขน้อยได้ฮอตป่านี้นะแตกกี้นี่ขน้อยบริเห็ดแนวนี้ไดขาวหน่อยบริเห็ดแนวนี้แล้วขน้อยแก่มีผู้เห็นในข้าน้อยอีกขน้อยไปกานมีคนเสิร์ฟไปข้าน่อยกินเองอีกเห็นบอกขน้อยเห็ดการข้น่อยแก่เห็ดนาทีดีได้เฮเห็นบอกมันก็ยังหลดปลดเปลืองออกมาได้ จากจัางสิ่งที่เขาเคยเห็ดเคยทำเคยเป็นเคยมีเหตุการณ์ก็ไปคอลาการออกมานายจันบอกว่าตายาการเจ้านี่หาได้ยากได้สมพรเจ้าคือสิออกการเจ้าเหตุมา22 y e a r s เออคันอ่า hosted in charge เขาเจะก็เอินซูเปอร์วเซอร์แล้วเนาะหาได้ยากได้คนนั่งยูนเนียนนี่สิไม่ได้จบนี่ก็ได้ยาก why you quit เป็นอยังเจ้าค่อยสิออกโอ้ยคอยสิไปอปฏิบัติธรรมคอยสิไปอเขาเจ้าว่าเจ้าสิไปเจ้าสิไปได้เจ้าสิไปเห็นอย่งเจ้าออกเออรี่เจ้าสิบุได้เงินโอ้ยมั่งสิหาเลี้ยงคอยดอกบุจักเนวสิตอบขาเจ้าว่ามั่งฮะแต่คูบาอาจารย์สิบินทบาทเลี้ยงคอยเองดอกเจ้าสิไปหาเอาเงินใส่มากินเขาเจ้าถามนายเราหักกันในข้อเหตการน้ากันหลายปี บุมีกินกระยาคอยภูมิใจในสิ่งในเฮาวกระโบยักอธิบายเรื่องราวของเฮาว่าเฮาวซีโ อ, อกกาสมาโดยที่บป็นอย่างนั้นนะเออเจ้าสิไปเหตุยังกินมั่งสิไปบินธบาดเลี่ยงคอยดอกเขาเจ้าหัวข้าเจ้าขึ้นว่าเป็นฮาเวาเล่นนะ น, นะเน่เห็นบอกขาเจ้ากเขาเจ้าก็าากบแบบเป็นห่วงนั่นแหละคือว่าฮาเหตุการณ์่วมกันมาสาสองปีแล้วละ่ะสิไปลางานออกซื่ อ, อ, อด้วยควรว่าเขาสุขภาพโบเข็มบโ บ, บเข็มแข็งสุขภาพเขาอ่อนแอเขาป่วยเขาโซแล้วก็เขาสิไปสู่อยู่กับควนบุรีฮานะเหตุการณ์นั้นน่ะ เขาเนี่ยสิมีโอกาสเขามาเอาชีวิตในหน่อยที่ว่าสุโสมอันนี้เนี่ยสังขารตัวนี้มาสรอยพุทธศาสนาสดีกลัวเขาเข้าใจในระดับนี้แล้วลาออกซะลาออกมาแล้วมันกับคันธ ร, รมดาเหตุการณ์ยืนยันตายแล้วขน้อยนี่นะเพราะว่าพญาติหลายบมาออกมาแล้วเขาก็ได้บำบัดเขาเน่เขาก็บรได้ไปอันสตรสน้าเรื่องล่าเรื่องการเน่แล้วเขาก็ได้สวยสิ่งที่เขาต้องการเขาหมั ก, มกเมยเค็ดนะสุขภาพก็ค่อยว่าเข้มแข็งขึ้นมาหลายละขนาดนี้นะ ตะกี้เขาน้อยบูมีเสียงเลี่ยนอนเงยเนาะเสียงบูมีเลยตะกี้เนี่ยเขาน้อยเป็นแอสมาต้องสีดยาทุกๆหกสัปโมนี่ยคือควอมันมั่นใจแล้วมันเสื่อในคุณภารตนะไตอันนี้เสื่อในค้อมที่เขาหู้เขาเห็นเขาเข้าใจในการปฏิบัติของเขาแล้วเขามั่นใจว่ามันเกิดมันมันเห็นมันเป็นมันมีได้อิหรี่ธรรมะนี่มันอยู่ในเขานี่อีหรี่เขาหู้เขาเข้าใจแล้วมัน มันเข้มแข็งขึ้นมาเองมันะนะะขน้อยจนกล้ามั่นใจได้เลยว่าในโลกนี้ถ้าวเฮ็ดจิงทําจริงและเฮ็ดแท่เฮ็ดต่อเนื่องอิลีเนะ่ะบูมีไพจับบวบหูลวงผู้เทียนพันบอกว่าถาบูมีอ่าบุญญาบาลามีอิลีท้าวเฮ็ดแท่ทําจิงบัจจิ ต, ตายนะเห็นบอกยิ่เอ้ยพันยังถามเนาะบัจสิ ต, ตายชั่วล้มหายใจโซแว บ, บเนี่ยบรรลุได้ เห็นได้แต่หะอย่าหลดความเพียรนะนีน่เห็ดไปเรื่อยๆอันนั้นเว่าถึงขั้นผูพันธุ์บูมีบาลมีแท้ๆวาจังสั้นซะถ้าเฮาได้เฮาสีไปฮู้บอกว่าบารมีบาลมีคือเห็ดเอาทำเอานี่หลวงพ่อเทียนพันวายังสีได้เมนอยู่ดกเขาสีถือจังสันว่าบทเสือเรื่องบารมีอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนเขาเห็ดเอาทำเอานี่ละ่ะคือบาลมีคือเฮาสะสมไว้กับเฮาสะสมแต่เดียวนี้ไปเลยเนี่สะสมตัวหูศึกตัวเฮาละเดียวนี้นี่แหะ ท้าวสะสมควมหู้สึกตัวเขาตั้งแต่น้อยไปหาหลายเด้บัดมันติมแล้วมันก็สิบบัวกคือจังอาจารย์ว่าฮะเนี่มันบัวเลยเด้คือข้าน้อยนี่บัวแท้ๆเด้ข้าน้อยคิด่เป็นเสียงทเทวดาเด้บอกข้าน้อยตอนมันเข้าใจรูปน้ำเนี่ย่ะเบื้องกายเห็นกายเสียงปุง่งขึ้นมาเลยโอ้ทุกๆมันเข้าใจตัวนี้แล้วเนี่ยมันออบอิ่มในครูบ า, าอาจารย์ในหลวงพ่อมาหาธิเลได้เป็น พระอรหันได้บาตเนี่ยนะสาธุหูทำเห็นทำคว่ำเพิ่นได้ปีติมันก็ไปเพิ่นในตัวนั้นอีกได้บาตรนี่หูกายเห็นกายแล้วเข้าใจแล้วธรรมะนนี้หลวงพ่อมหาเดชเป็นพระอรหัน์เขาแล้วเห็นบก่กมันอ่ามันอุทานขึ้นมาเองมันนะมันมีสิง่งไงเขาเห็นนะหูได้จังซี่นี่นะแปลว่ามันได้สัมผัสได้ว่าจังสันซะนี่แหละข้ะพเจ้าจึงว่าจไปลดละคว่ำหูสึกตัวเขาเล็กๆล็กนิหนอยเฮ็ดเพราะว่ามันบมไดโมได้อ่า อันนั้นคัดแง่งกับลา ว, ว่ามีลูกมีหลานเออมีผัวมีเมียเออมันสิไปปฏิบัติโบได้แต่กี้ขาน้อยก็คิดว่ามันเป็นอย่างสั้นอีลีคิดว่าเหาเหตุการณ์อยู่โบมีเวลาเห็นบอกควมแก้คว่คว่เอ็กซ์กิวของเขาเองะนะ โอ้ยข้าน้อยยังทํางานอยู่ข้าน้อยยังบวท่นแกเถื่อต้องเป็นผู้เท่าผู้แกค่อยไปวัดเออข้าน้อยยังมีหลานยังมีลูกอยู่เห็นบอกมันบวท่านเข้าใจกะมันต้องได้เว้าไปยังสั้นอีลีแต่พัมันเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้มันบวเป็นแนวนั้นมีลูกเขาก็เหตุหนาทีของแม่แบบนี้นะเขาเข้าใจเลยได้ธรรมะอยู่เฮือนนี่นี่ข้าน้อยกัอยู่เฮือนสามีกับปฏิบัติธรรมกับอยู่น้ า, ก, า, ททา ก, นกันห่วมกันก็มีความสุขแบบนี้นะแต่กี่น กินเข่าก e hmm. ็บเบื้องหน้ากันกับโบโบได้เงยหน้าเบิ้งกันอันความมันมีแต่ทิฐิมีแต่ความกดดันเนี่นะความมันห้อนมันหุนนะนะกินเข่ากับบเคยเบื้องหน้ากันนะความเฮามันว่าง่ายๆคือมันมีความกดดันหลายคือมันบุถือกันนั่นแหะจะาว่าโอไปทางนึงขอยกับเจ้าไปทางนึงแต่บัดนี้เขาเป็นผู้เข้าใจแล้วมันมันอ่อนอยู่ลงได้มันลดละมันอทิฐิเขาลงได้ก็มีความเยือกเหยีนดเนี่บอกมันมีความสุขกินเข่าก็มีความ มีควมหู้ซึกโตทเวอย่างกับกันกัมันกับจงกันยอมกันบุพิตกันนะอันว่าความลาวเขาเนาะเขาก็บพจักสิวภาษาบารี่นแปลว่ามันมันมีเป็นคืออ้ยคือน้องอยู่ห่วมกันโนาเขาเออบารมีเขาส้างมานำกันละอ่ะในใดกะเขายังไปถึงขันที่สุดโดดเดี่ยวบุษทันได้กะเกื้อกูลกันไปสะกร่อนซ้ำสาฮอดมือ เพิ่มมือเฮาวัชชะเพิ่นไก่กรกับโมธนาสาธุเฮาไปก่อรกับโมธนาสาธุเฮากับพยายามเกื้อกูลกันเท่านั้นจนกลัวมรดวิบากกรรมตัว น, นั้นแล้วเขาอยากเหตุยังไดมันก็เป็นเรื่องของเขาอีกต่อนหนึ่งต้อคุ้มเข้าใจบุญเปนว่าเขาบวาปฏิบัติทำให้เขาปฏิบัติทำในโตหันเห็นบอกก็ ค, คือจังเอ้ยว่าอยากได้เพิ่มมาปฏิบัติเพิ่มบวชเข่ากันกับหลวงพ่อเนาะจะบอกถ้ามาเจอหลวงพ่อนี่อุย้ยเพิ่มเข่าโลด บ้านอยู่คือดอกบัวนี่หลวงพอบุญมีบูดใสพ่พาแล้วก็เล้วกันบุญจีเป็นนางอยู่คนเดียวได้เพิน่นเ <c oughs> พิ่นเอาเอาญาติเอายมแท้ให้เพิ่นมาโลดเนีย่ยว่าเจ้ากะคอยกับเป็นอย่างคอจะเขาอยากบักบันจะจะเจะ้จจจจห า, จ า, าหลายเจ้ามีสธามีสตาหลายแต่ว่าได้ยินข่าวมาส่งเถือแล้วบอกมาส่งเธอแล้วบอได้ยินข่าวมาเธอหนึ่งก็มาอยากมาลุจิดแต่ว่าคันเนี่ได้กะ โบเสียสินดอกจะาว่าวังแรงนี่เนาะตอนเขาว่าวังแรงว่าย่านเสียสิน<ม>ได้นัดกระเพื่นแล้วว่าสีไปนะไปเรื่องไปเข้าไปแล้วแต่โบได้เสียสินแต่มีโอกาสเวลาโทรโลดโทรหาคอยคอยสีไปหเาเองยี่วัดอาจารย์คอยคุยชักยิวสินําไปหเาเองให้มาหาเออมาโลดแล้วคอยสิไปเป็นมูอก็ได้เ อ, นนเออ อันนี้บนเฮาสิบปดออกว่าโอ้ยข่อยสิบบุมมีความทุกข์ลูกซ้ายข่อยตายขอยาย่ขอยจังค่อยได้มาปฏิบัติธรรมโอ้ยข่อยจังค่อยได้ปิดล่านคําข่อยมันสิมดความสงสัยในตัวนี้ถ้าเฮามาเข้าใจในความรู้สึกโตตัวนี้นี่ก็ความทุกข์มันสิออกอิลีข่อยให้ทุกหลายก็เจ้าเจ้ายังน่อยก็ข่อยเลยความทุกข์นั่นนะเอาข่อยก็บบริจาคว่าตอนนี่มาข่อยทุกหน่อยทุกหลายบรยิจาคว่าวมาสู้กันบาแต่ว่าคนเฮามีความทุกข์แหละจังค่อยมากันจังซี่แมนบ่ แต่มันถูกแล้วมันออกมาได้จังซี่ก็แปลว่าธรรมะตัวนี้มันสวยเฮาได้นี่เฮามีผู้ยังยืนฝานนี้แล้วคอยบริยคให้เจ้าเสียเวลาอันนี้นะเฮากัลายาณ์นะมีเท่าไทยบ้านเดียวกันอีกซ้าเจ้ากเวียงจันทร่อยกเวียงจันเนาะขันเบ้าแล้วก็ซ้ําว่าสิมาขายขายอันนันผ้าขายแพบโบเมนอันนี้เขาบอกข้อมจรเขาบอกข้อมจริ ง, รงก่อนสีไดมาริที่ยู่ในสามสี่ 3, ั้างเลยคอยมีน้องหักสองคนเลยได้เลยนี่เมยบุญธรรม่อยได้นั่ง้างหลั ง, งนะ เห็นว่าน้องหัก่อยนางเบยนี่เราก็เข้าใจธรรมะแล้วเรามาปฏิบัตินําใส่หลวงปู่เทียนนี่นางพรนี่ก็น้องหักคอยอีกนี่นะก่อนสะได้มารู้ที่บ้านแล้วฮั่นก็เข้าใจนี่ทั้งๆั้งที่สาสองปีได้พ้นปฏิบัติอยู่น้ำวัดป่าธรรมศาสตร์นี่ได้นี่แหละสาธุโมทนาสาธุนพรณ์และบันิพจนได้แม่พจน์อีกนางพรก็ได้แม่พจนก็ห่วยบุญสามสิบกว่าปีพจน์บอม่ขฆาบวชนะนี่กะเมซีผู้เขามานั่งอยู่วัดพนี่เมซี มอนนี่กะวัดปลาธรรมศาสตร์ เ, เป็นอย่างสาวสามสิบปีพันยังเอยได้มาหยกมือนาําเฮามันก็เป็นของดีเพราะพห่งมีข้อมูอค้อมสลดัดพันเป็นเนิร์สอาร์เอ็นผู้นั้นนี่นะเนิร์สเมกาได้บนวันเฮิดเมืองไทยเฮาได้พันมีค้อมู้คุยควอมสลาดลักแหลมทั้งโลกที่สุดแล้วแต่เป็นอย่างพันจะ่ยอยกลับขึ้นมาหยกมือนำเฮาเพราะพันนั่งมาโดนแล้ว นั่งมาดนแล้วมันยังบ่ได้เข้าใจขั้นบม่เข้าใจแล้วเพื่อนก็นหาทางจิเข้าใจเพราะว่าเรื่องการวิปัสนากรรมฐานมันคือความวิปัสนาคือคุ้มเป็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้บานาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาปัญญาและขั้นเฮามีปัญญายังแก้ไขเฮายังบ่ได้ยังบ่หายสงสัยอันนั้นยังบ่หายสงสัยนี่ยังบ่หายสงสัยอันนี้ยังบ่เป็นวิปัสนา พอยังบูมู่ตามความเป็นจริงยังไปถือผีถือพามถือนั่นถือนี่อยู่ยังบเป็นความเป็นจริงอันนั้นบูเมนวิปัสนาแล้วยังเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนียงไปอยู่เมื่อไหร่บอกยก็ยังบอกว่าต้องไห้หลายๆชั่วโมงได้คันบอกยังบูคิงนี้นี่นะอ่าเนีใดกะเนีใดกะเออได้เจ้านี่คอยกระพุ้มใจแล้วเด้อเออเออเอาเนาะเออเน่ยน่ใดกะยาเนาะแน่ใดกะ เว้าหลายนี่เพื่ออย่างเพื่อว่าซวยเหลือเจ้าเออซวยเหลือเพราะว่าคนมีศรัทธาหลายแต่ว่าขน้อยกับเเววข่มข่มจริงของตัวเองบ่ได้เว้านอกเนื้อออกจากตัวเองเเว่นี่มิแต่เเ้าเรื่องของตัวเองเลยตัวเองเป็นจังไดเฮ็ดจังใดกับเเ้าเรื่องของตัวเองสิพิษสิถึกกล้าเอาข้อประกันได้เลย เพราะว่าเจ้าก็มีบุญแล้วที่มีเมซิเอลมีกญญาลยานมีทิดึงมาได้จังซี่เนี่นนะแต่เจ้าก็มีบุญแล้วถ้าเจ้าบุญมีบุญเจ้าบุได้เข่ามาฮอดหมองนี้แล้วก็ บ, บุได้พบพ่อครูบาอาจารย์ในทรายงานนี่นเ<ร>านาะเมนแต่ว่าคันเฮาหู้แล้ ว, วกยายเฝ้าเสือ้อให้เอาไปพินิจพิจารณาคิดเบิงว่าโอ้นางสมพรละ ว, วมนเนาะเมซีนี่เพาร์เอน เพิ่งยังมายกมือนางพอสวรรค์สามสิปีแมรแล้วสามสิบปีมาจีเพิ่งเป็นอยังค่อยเปลี่ยนแปลงมาจังส่ให้เจ้าเอาไปคิดซื้ อ, อมาต้องเสื้อค่อยเล่าแล้วเจ้าหันมีปัญญาเล้าระดับนี้ถ้าจะบูมีปัญญาระดับนี่เจ้าเปิดลัานค้ามาได้ดอกอเอะไรแต่ว่าคั้นเจ้ามีปัญญาแลว้วต้องเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แกนสารเขามาใส่ในสติปัญญาของเขานี่เสริมแต่งเขาขึ้นให้เกิดเป็นตัวห้วนอิลิ ให้มีปัญญาที่แก้ไขเขาได้บ่ให้มันมีทุกบาทนี่ปัญญาตัวใดกระตามสิปฏิบัติอย่งไดกระยาถ้าแก้ทุกเขาตัวนี้บ่ได้ละยังใสการบ่ได้แท้ไรยังใสการบ่ได้ถ้ามีปัญญาตัวนี้แก้ทุกเขาได้ใส่ได้แล้วกะ็ปฏิบัติไปโลด ถ้าโตเฮาเห็ดอยู่เดี่ยวนี <c ough> ้น you know. şey, ่ะถ้ามันยังบบมีหายสงสัยอะไรยังโบทันมีความเข้าใจว่าเอาทุกเขาปลดออกบ่ได้จ๊กเลยเจ๊งหน่อยน่ะโจไวบสกอนร้องกินข่าจี้แบบนี้น่ะกินเข่าจี้บ่แซบมัดกินเข่าก้องน้ำข่อยนี่ข่อยหุงเข่าก้องใส่แบบเอย่างดีเอาไหนกันลูอนุโมทนาเด้อเอาซะ